ต่อแต่นั้นแม่ก็ได้ไปในสำนักภิกษุณีผู้เดียวก็คิดได้ว่าพระนาถผู้ถึงที่สุดแห่งไตรภพนะถึงที่สุดแห่งโลกสามเนี่ยนะคือพระนิพพานเนี่ยทรงป้องกันบริษัทที่สา ม, มาขีกันเอาเถิดแม่จักปรินิพพานเสียขออย่าได้เห็นความวิบัตินั้นเลยแม่ครั้นคิดดังนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระฤาษีพระองค์ที่เจ็ดได้กราบทูลถึงการ เป็นที่ประนีพานกับพระผู้นำพิเศษลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตว่าจงรู้การเอาเองเถิดโคตมีแม่เผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงได้ถอนขึ้นแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกได้เหมือนช้างพังเนี่ยตัดเชือกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ตามที่แม่มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอเนี่ยนะ ภาว่าที่เข้ามานั่ถือพระพุทธศาสนาบวชเนี่ยศึกษาปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยมาดีแล้ววิชาสามแม่ก็ได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสอนของพระพุทธเจ้าแม่ก็ได้ทําเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดอภินญาหกแม่ก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าแม่ก็ได้ทําเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะได้พูดคํานี้บ้างหมออิปิน คำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ก็ได้ทำเสร็จแล้วเหมือ น, นนะนะเมื่ อ, อไรนะเดี๋ยวคำของเราจะได้พูดบัางนะเนย น, นะอยากกะ พ, พูดเหมือนกันนะ อ, ะ ไ, ด อ, น ไ, อได้อ่านไปหลายเล่มแล้วเนี่ย น, นะคุณกรอยใจก็บอกคำสอนก็กำลังจะเริ่มอ่านแล้วเนี่ยนะคุณบุญชูก็บอกก็ท่องได้หลายสูตรแล้วเนี่ย ก็แม้ว่านาถาจริงๆนะพวกเราเนี่ยนะเริ่มเข้าใจลางๆแล้วเห็นตะคุ้มตะคุ่มเหมือนนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนโคตมีคนพานเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงอิทธิฤทธิเพื่อให้คนพานเหล่านั้นละทิฏฐิเสียคือสงสัยว่าเอ๊ะบรรลุธรรมเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะบรรลุแล้วมันดียังไงท่นก็เลยให้แสดงฤทธิ ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เหาะขึ้นสู่อากาศ อ, อัมพรเนี่ยนะแสดงฤทธิ์เป็นอันมากตามพระพุทธานุญาตคือองค์เดียวเป็นหลายองค์ก็ได้หลายองค์เป็นองค์เดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายก็ได้ทะลุ ฝ, ฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุ่ขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้าก็ได้ เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ทําภูเขาสนรุให้เป็นควันพลิกมหาปตพีพร้อมด้วยรากทาให้เป็นตัวร่มก้าน ร, ร่มเดินจงกรมในอากาศทําโลกให้เป็นเหมือนควันประหนึ่งเวลาอาทิตย์หดวงอุทยัยขึ้นและทําโลกนั้นให้เกลื่อนไปด้วยพวงดอกไม้ตาข่าย คล้อยพวงดอกไม้ไว้ยอดเขายุคคันทรเอาพระหัตถ์ข้างเดียวกำภูเขามุจจรินภูเขาศิเนรุเอาไว้ในมูลนาทีทั้งหมดดัง เ, เหมือนดังกรร ม, มเมล็ดพกาดเอาปลายนิ้วมือเนี่ยบังดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงจันทร์เอาไว้ทัดทรงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไว้ตั้งพันดวงเหมือนทัดพวงมาลัยฉะนั้นแบกน้ํา ในสาขรนทั้งสีไว้ด้วยฝ่าพระหัตถ์ข้างเดียวนะมืออุ้มน้ำะทะเละส่งบรรดาฝ น, นหาใหญ่มีอาการปานประหนึ่งหลังน้ำเหนือเขายุคคันทรพระเทรีนั้นเนรมิตเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยบริษัทณนะพื้นณภอากาศแสดงให้เป็นครุดโคดจสารคือช่างราชสีต่างก็บรือเสียงกึกกล้องอยู่ องเดียวเนรมิตให้เป็นคณะภิกษุณีนับไม่ถ้วนแล้วก็อันตรธานกลับเป็นองค์เดียวกราบทูลพระมหาหมุนีว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุขพระมาตุฉ้าของพระองค์เป็นผู้ทําตามคําสั่งสอนของพระองค์บรรลุประโยชน์ของตนแล้วโดยลําดับขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ะนะแสดงฤทธิ์ทั้งหมดแล้วก็มากราบเท้านะ พระเทรีนั้นครั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วก็ลงจากพื้นนภาการถวายบังคมพระผู้สองโลกแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นำโลกหม่อมฉันมีอายุเพียงเท่านี้ก็พอเอรอยี่สิปีนะร้อยยี่สิปีนับแต่เกิดเพียงเท่านี้ก็พอแล้วหม่อมฉันจักทูลขอลานิพันธ์รยปี คือมีลูกตอนอายุสี่สิบกว่าปีเนี่ยนะมีลูกตอนอายุสี่บเอ็ดปีเนี่ยประมาณเนี้ยคือสมัยนั้นท่านจะมีบุตรตอนมัชชิมวัยนไะตอนมัชชิมะไว อ, อ, อันนะ่ะเมผานันธาผนันทาผา น, นัน ท, า, า, นนนทาก็คลอดหลังพระพุทธเจ้าไม่กี่วันอนะ่ะผา น, นันทาก็คลอดหลังพระพุทธเจ้าก็ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งอนะ่ะแถวๆนั้นนะ่ะก็คลอดมาใกล้ๆ ก, กันอนะ่ะก็อายุมากกว่านี้สัก ก็ไม่ไม่ไม่มากกว่านั้นเท่าไหร่หรอกอมสาท่านอยู่ก็ร้อยี่สบเอดปีอรอยี่บเดรีบสองปีเนี่ยนะคือเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดก่อนพุทธปรินิพานไม่นานเท่าไหร่เนี่ยนะประสูนรก็ตอนอายุสักพนางอายุสักสี่สิบกว่าปีเนี่ยนะอันนั้นสี่สิบสองสี่บสามปีที่ย้งนั้นแหละนั่นครั้งนั้นบริษัททั้งหมดนั้นอะต่างพิสวงยิ่งนักจึงได้พากันกระทาอันชฉลีถามว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าแม่เจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรจึงบากบั่นแสดงฤทธิ์ที่ไม่มีอะไรเทียบได้พระมหาประชาปดีเทรีก็ได้กล่าวบุพพัจริยาของพระองค์น่ ะ, ะก็คือเล่าถึงบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตดังนี้ว่าในแสนกับแต่กับนี้ไปพระชินะพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวง เป็นผู้นําได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้านี้เกิดในตระกูลอมาตย์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ํารวยในกรุงหังสาวดีบางครั้งข้าพเจ้าพร้อมด้วยบิดานําหน้าหมูทาสีมีบริวารมากเข้าไปเฝ้าพระนราสภะพระองค์นั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปานดังท้าวาสวะคือพระอินเนี่ยนะยังฝนคือทําให้ตกลง เป็นผู้ไม่มีอาสะวะเกลื่อนกล่นไปด้วยระเบียบแห่งรัศมีเช่นกับดวงอาทิตย์ในสาระการแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสสดับสุภาสิตของพระองค์เห็นพระผู้นำนรชนเนี่ยทรงสถาปนาภิกษุณีผู้เป็นพระมาตุฉาเอาไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะจึงถวายปัจจัยเป็นอันมากเป็นมหาทานแด่พระผู้เลิศกว่านรชนผู้คงที่พระองค์นั้น พร้อมทั้งพระสงฆ์ตลอดเจวันนะก็ทาบุญเจวันเนี่ยแล้วก็ได้มอบลงแท่พระบาทมุ่งปรารถนาตำแหน่งนั้นนะลดับนั้นพระผู้เป็นฤาษีพระองค์ที่เจ็ได้ตรัสในบริษัทใหญ่ว่าสตรีใดได้นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้นำโลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ฉันตลอดเจวันเราจะพยากรสตรีนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราจะกล่าวให้ดีนะท่านจงฟังเรากล่าวไว้ให้ดี ในแสนกับแต่กับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมซึ่งสมพบในวงของพระเจ้าโกกากราชจักเป็นศาสดาในโลกสตรีผู้นั้นจะได้เป็นธรรมธายาธของพระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจะได้เป็นสาวิกาของพระศาสดามีพระนามว่าโคตมีจกได้เป็นพระมาตุฉาคือพระน้าบำรุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น จากได้ความเป็นเลิศของภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนานครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สดับว์พุทธารร GN นั้นแล้วมีใจปราโมทบำรุงพระชินะพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิตต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ทำการลกกิริยาไปบังเกิดในพวกเทพเหล่าดาวดึงผู้ซึ่งให้สาเร็จถึงซึ่งสิ่งที่น่าคร้ทุกประการล่วงล้ำถวยเทพ อื่นๆด้วยองค์สิบประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายุวนาสุขยศและรุ่งเรืองล้ำถวยเทพอื่นๆด้วยอธิปไตยคือความเป็นใหญ่ข้าพเจ้าได้เป็นมเหสีผู้หน้าเอนดูของท้าวอมรินในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็ข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในสงสารผู้อันพายุคือกรรมพัดไปเกิดในตาบลบ้านของธาตุในอนณาเขตของพระเจ้าพารณสีนะ พายุคือกรรมนะแสดงว่ากรรมนี่มันยิ่งใหญ่มากนะเหมือนพายุอะไรทอร์นาโดนะพายุใหญ่หมุนเกลียวคลื่นนะแล้วมันพาไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ น, นะคิดดูนะตอนเราทํากรรมเราก็พูดไม่ค่อยหยุดเหมือนกันเลยกรรมมันจะขนาดไหนอ่ะคิดดูคิดไม่ค่อยเลิกค่อยลานะกี้ไปเรื่อยเนะมันยิ่งว่าสร้างพายุซะอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะพายุคือกรรมมันซัดไปเกิดในเนี่ยถ้าไปพูดหมิ่นใครเข้าไว้พายุกรรมมันซัดไปเกิดในเนี่ย พวกทาสีนะเป็นขี้ข้าเท่านั่นแหละครั้งนั้นทาสห้าร้อยคนท่วนอาศัยอยู่ในบ้านนั้นข้าพเจ้าได้เป็นภรรยาของหัวหน้าทาสในตําบลบ้านนั้นก็ยังดีนะเป็นหัวหน้าเขาก็ยังดีพระปเจกกับพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้เข้าไปบ้านเพื่อบิิทบาทข้าพเจ้ากับญาติทุกคนเห็นพระปัเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีความยินดีช่วยกันสร้างกุฏิห้าร้อยหลังอุปถัมภ์อยู่สี่เดือนแล้วก็ถวายไตรจีวร ข้าพเจ้ากับสามีก็พากันท่องเที่ยวไปจุติจากนั้นข้าพเจ้าก็พร้อมกับสามีได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสามีคือใครรู้ไหมก็พระนันธกะนะั่นแหละบัดนี้พบสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เกิดในกรุงเทวทหะพระชนกของข้าพเจ้าพระนามว่าอัญชนะสกยะยนี่นะพระชนนีของพระเจ้าพระนามว่าสุลักณา ต่อมาข้าพเจ้าได้ไปพระรา ช, ชินิเวศของพระเจ้าสุดโททนะในกรุงกบิลพัท ส, สตรีนอกนั้นเกิดในตระกูลสักยะก็คือห้ายนะแล้วก็ไปเกิดในเรือนของพวกเจ้าสักยะด้วยกันแต่ข้าพเจ้าประเสริฐกว่าสตรีทุกคนได้เป็นผู้บำรุงเลี้ยงดูพระชินเจ้าโอรสของข้าพเจ้าเสด็จออกมหาพิเนศกรมแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพิเศษ ภายหลังข้าพเจ้าพร้อมด้วยสากิยานีห0 0ร้อจึงได้บวชแล้วก็ได้ประสบสันติสุขพร้อมด้วยสากิยานีผู้เป็นบัณฑิตสามีของข้าพเจ้าที่ได้ทาบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนในครั้งนั้นเป็นผู้ทา ม, มหาสมัยประชมุะชมใหญ่อันพระสุคต ท, ทรงอนุเคราะห์แล้วก็พากาันรบรรลุพระอรหันต พิษุนีทั้งหลายนอกจากพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีก็พากันเหาะขึ้นสู่หนาภากาศเป็นผู้ประกอบด้วยมหิธิริตรุ่งโรดเหมือนดวงดาวทั้งหลายอันโคจรกันไปเป็นกลุ่มครั้งนั้นภิษุนีเหล่านั้นก็ได้แสดงฤทธิ์ไม่ใช่น้อยเหมือนนายช่างทองผู้ชำนาญในการทําทองแสดงเครื่องประดับหลากชนิดฉนั้นโอแสดงฤทธิ์ให้ดูกันเป็นเรื่องธรรมดานะมันจะมีศรัทธากันมากขนาดไหนนะถ้าเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ย ครั้งนั้นพิษุณีเหล่านั้นได้แสดงปาฏิหาริย์วิจิตร์อย่างทําพระมุนีผู้เป็นพระศาสดาผู้ประเสริฐพร้อมทั้งบริษัทให้ชอบใจแล้วได้พากันลงจากหน้าผากาศถวายบังคมพระศาสดาผู้เป็นพระฤาษีพระองค์ที่7อันพระศาสดาผู้เป็นยอดของนรชนทรงอนุญาตแล้วจึงได้ลงณที่สมควรแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระโกณ์นอ พระโคตมีเถรีเป็นผู้อนุเคราะห์ฆ่าพระองค์ทุกๆคนพวกฆ่าพระองค์อันบุญญาบารมีของพระองค์เนี่ยอบรมแล้วจึงพาการบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสะวะฆ่าพระองค์ทั้งหลายเผากิเลสได้แล้วถอนภพทั้งปวงได้แล้วตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่ฆ่าพระองค์ทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามพวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกข้าพระองค์ก็ได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แอภิญญาหข้าพระองค์ทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าอันข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำให้เสร็จแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายมีความชนานาญในฤทธิ์และทิพโสธาต ข้าแต่พระมหาหมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายชำนาญในเจโตปริยายานรู้ปุเพนิทิวาสานุสติยานชำระที่พระจักสุได้แล้วสิ้นอาสวะหมดแล้วก็คือพิญญาหกนั่นเองบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ทั้งหลายมียานในอัตธรรมนิรุตและปฏิพานก็คือปฏิสัมพิทาสี่ยานนั้นเกิดขึ้นที่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระมหาหมุนี ผู้ทรงเป็นผู้นำพระองค์เป็นผู้อนุฆ่าพระองค์ทั้งหลายผู้มีเมตตาจิตบำารงแล้ว น, นะคือบำารงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทาด้วยโทสะนะทาด้วยเมตตาด้วยไปอุปธรรมอย่างยิ่งเลยนะขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ฆ่าพระองค์ทั้งหลายทั้งหมดนิพพานเธอพระชินผู้ทระเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายเมื่อพูดอย่างนี้ว่าจากนิพพาน ตถาคตจะไปว่าอะไรก็บัดนี้เธอทั้งหลายจงสำคัญกาละเวลาของเธอเอาเองเธอที่ิจรณาเวลาเอาเองนะฟังกันครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นมีพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเป็นต้นถวายบังคมพระชีนพุทธเจ้าแล้วก็พากันลุกจากที่นั่งนั้นมาพระธีระเจ้าผู้นำเลิศของโลกพร้อมด้วยหมูชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุจฉาจนถึงซุ้มประตูคืออยู่คนลวัดอ่ะนะ เพนั้นก็คาคานางกลับก็ไปส่งครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดก็ได้พากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระาศาสดาผู้เป็นผงพันุ์ของโลกกราบทูลว่านี้เป็นการถวายบังคมพระยุคลบาทครั้งสุดท้ายของหม่อมชันการได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกครั้งนี้ก็เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายหม่อมชันจักไม่ได้เห็นพระพักของพระองค์ซึ่งมีอาการ ซึ่งมีอาการดุดอมตะอีกข้าแต่พระมหาวีระผู้เลิศของโลกการถวายบังคของการถวายบังคมของหม่อมชั้นจกไม่สัมผัสพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งละเอียดอ่อนดีวันนี้หม่อมชั้นจะนิพพานพระศาสดาก็ตรัสว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยรูปนี้ในปัจจุบันรูปนี้ล้วนปัจจัยปรุงแต่ง ไม่น่ายินดีเป็นของต่ำซ้ำเห็นไมนะก็ยังประกาศถึงรูปประคันหนะรูปประคันมันเป็นอย่างนี้แหละมันถูกปใจใัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะมีอวิชาตันหามีกรรมเนี่ยสร้างมันขึ้นไม่น่ายินดีหรอกพราะประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันนั่งเนี่ยนะมันเป็นของต่ำซ้ำมากนะก็ของไม่สะอาดไหลออกจากช่องทั้งเก้าของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูน้ำมูกจากจมูกบางคราวก็สํารอกออกจากปาก เหงื่อและเสลดย่อมสำรอกออกเนี่ยนะเหงื่อและน้องฝีก็ซึมออกจากกายนี้อันนอันหนึ่งอันนะีกายนี้ก็ข้างบนก็มีเป็นโพรงอันนะี้มีมันสมองในอกก็มีก้อนตับเป็นต้นเนี่ย น, นะเป็นอย่างนั้นแหละกายนี้นะอาจากย์จะสอนสาทยาให้ฟังในกัปปะเทระคาถา พระมหาปชาตบีโคตพระมหาปชาบดีโคตมีเทรีเนี่ยนะพร้อมด้วยภิกษุณีเหล่านั้นก็ไปสํานักของพระภิษุณีของตนแล้วก็นั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐครั้งนั้นอุบาสิกาทั้งหลายในพระนครไพราลีนั้นเนี่ยนะผู้มีความเคารพรักในพระพุทธศาสนาได้สดับพฤติเหตุคือความเป็นไปของพระเทรีเหล่านั้นก็พากันเข้าไปหานมัสการแทบบาทมูลเอามือค้อนอก ร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเต็มกลั้นไปด้วยความเศร้าโศกก็ล้มลงที่พื้นพระสุธาดุดวาวรากขาดฉะนั้นพากันคร่ำครวญลำพันว่าข้าแต่พระแม่เจ้าผู้เป็นนาถให้ที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพระแม่เจ้าอย่าละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่นิพพานเลย ข้าพเจ้าทุกคนขอซบกล่าวอ้อนวอนเนี่ยนะขอร้องเธอได้โปรดอย่าไปเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ยพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีก็ลูปศีรษะของอุบาสิกาผู้มีศรัทธามีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นกล่าวดังนี้ว่าลูกเอ๋ยความโศกสลดซึ่งตกอยู่ในบ่วงแห่งมารเนี่ยไม่สมควรเลยสังคตาธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนไม่เที่ยง การพลัดพรากจากกันเนี่ยเป็นที่สุดสังขานี้ก็วันไว้ไปมาเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละต่อแต่นั้นพระเทรีก็สละอุบาสิกาเหล่านั้นเข้าปฐมฌานเข้าทุทาาตทิยาชฌานตัติยะฌานจตุทัชฌานแล้วก็เข้าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานตามลาดับ พระมหาประชาบดีโคตมีเข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลมแล้วก็เข้าปฐมฌานตราบเท่าจนถึงจตุธาฌานก็คือเข้าจนถึงเนวะสัญญานะก็ออกจากเนวะเข้าอากินจะออกจากอากินก็เข้าวิญญาออกจากวิญญาเข้าอากาสาออกจากอากาสาเข้าฌานที่4ออกจากฌานที่4ีเข้าฌานที่3ออกจาก3เข้า2จาก2เข้า1จาก1เข้า2องข้าสาออกจากฌาน4ี่ก็จุติจิตเกิด ดับขันปรินิพานเหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชือ้อแล้วก็ดับไปฉะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สายฟ้าก็ตกลงจากหน้าอากาศกรองทิพย์ก็บลือลั่นขึ้นเองถวยเทพก็พากันคร่ำครวญและฝนดอกไม้ก็ตกลงจากอากาศยองละตกมายังพื้นดินแม้ขุนเขาสิ น, นรุราชก็กำปนาดวันไหวเหมือนนักฟ้อนรำในท่ามกลางเวทีฟ้อนรำฉะนั้น สาครคือทะเลก็ปั่นป่วนคนองเพราะความโศกทวยเทพนาคอสูลและพรหมต่างก็พากันสลดใจกล่าวขึ้นในทันใดนั่นเองว่าอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะเหมือนอย่างพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีนี่ก็ถึงความย่อยยับไปแล้วและพระเทรีทั้งหลายผู้ทำตามคำสั่งสอนของภาษาสดา ซึ่งแวดล้อมพระมหาประชาะดีโคตมีเถรีนี้ก็พากันปรินิพานเหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อฉะนั้นโอ้กากความพบกันมีความพลัดพรากกันเป็นที่สุดโอ้สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงโอ้ชีวิตมีความหายสูญเป็นที่สุดความพิไรรำพันได้มีแล้วด้วยประการชนี้เห็นไหยใช่ไหมพบกันมีการพลัดพรากจากกันเป็นที่สุด สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงชีวิตมีความสูญหายเป็นที่สุดเนี่ยนะลำดับนั้นเทวดาและพรหมต่างก็ทาพฤติกรรมตามโลกธรรมตามสมควรแก่การแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นย่อรือศรีพระองค์ที่เจ็ดครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสเรียกท่านพรานนผู้ผหูสูตรมาสั่งว่าอานน เธอจงไปประกาศให้พิสูทั้งหลายทราบถึงการนิพพานของพระมารดาเวลานั้นท่านพระน์ผู้ร่าเริงก็ไร้ความร่าเริงนะนะปกติก็ร่าเริงอะนะไม่ร่าเริงแล้วนี้น้ำตาเนี่ยน้องเต็มหน้าไปหมดกล่าวด้วยเสียงร้องไห้ว่าขอพิสูทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระสุคตซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือจงมาประชุมกัน ภิกษุณีผู้ทำพระศรีระสุดท้ายของพระมุนีให้เติบโตด้วยน้ำนมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะก็ดื่มน้ำนมของพระมหาประชาบดีจริงๆอะ่ะพระมุนีเนี่ยให้เติบด้วยน้ำนมมีพระนามว่าพระประชาบดีโคตมีเถรีนิพพานถึงความสงบเหมือนดวงดาวทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นฉะนั้นถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอะไรหายดาวก็หายเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกัน พระเถรีตั้งบัญญัติทำให้รู้กันทั่วว่าเป็นพุทธมารดานิพพานแล้วในที่ใดถึงคนมีห้าตาก็แลไม่เห็นนิพพานแล้วนะห้าตาก็มองไม่เห็นเหมือนกันเลยในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้นำทรงเห็นแล้วขอพระโอรสของพระสุคตผู้มีความเลื่อมใสในพระสุคตหรือเป็นสิทธิของพระมหามมนีจงทาสการะแด่พระพุทธมารดาเถิด พิสูจทั้งหลายถึงอยู่ไกลก็ได้ฟังคําประกาศนั้นแล้วเนี่ยนะใครก็ได้ยินหมดนะนะด้วยดวยพุทธานุภาพเป็นต้นอนะนะบางพวกก็มาด้วยพุทธานุภาพพวกที่ฉลาดก็มาด้วยฤทธิ์ต่างก็ช่วยกันยกเอาเตียงที่พระโคตมีเถรีเนี่ยหลับขึ้นไว้บนเรือนยอดคือเมรุอันนะอันประเสริฐหน้ารื่นรมทําด้วยทองล้วนล้วนงดงาม เท้าโลกบาลทั้งสีก็เอาบาเนี่ยเข้าไปรองรับเรือนยอดทวยเทพที่เหลือมีเทา้าสกะเป็นต้นก็เข้าไปช่วยเหลือรับเรือนยอดนะนะโอ้ยได้ทําบุญกันเต็มไปหมดเลยนะก็เรือนยอดทั้งหมดมีห้าร้อยหลังแท้จริงวิศณุกรรมเทพพระบุตรเนรมิตสีเนี่ย น, นะเหมือนดวงอาทิตย์ในสาระทาการทวยเทพทั้งหลายก็แบกภิกษุณีทุกๆรูปที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็นําออกไปตามลําดับพื้นณนาฬิกาศถูก เอาเพดานเนี่ยบังไว้ทั่วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงดาวซึ่งสำเร็จด้วยทองก็ถูกติดประดับไว้ที่เพดานนั้นธงประตา ก, ก็ถูกยกขึ้นไว้เป็นอันมากจิตกาทานทั้งหลายคือเชิงตะกรเนี่ยนะก็มีดอกไม้เป็นเครื่องปกคลุมดอกบัวที่เกิดในอากาศเอาปลายลงดอกไม้ผุดขึ้นจากแผ่นดินดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยคนมองดูไม่เห็น และดวงดาวทั้งหลายก็ส่องแสงระยิบระยับอันหนึ่งดวงอาทิตย์ถึงจะโครจรไปในเวลาเที่ยงก็ไม่ทำให้ใครๆร้อนเหมือนดวงจันทร์ทวยเทพทั้งหลายก็พากันบูชาด้วยของทิพย์คือของหอมและดอกไม้หอมตลบและการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าพวกนากอสูนและพรมต่างก็พากันทำบูชาพระพุทธมารดาผู้นิผ่านแล้วกาลังถูกเขานาออกไปตามสติกาลัง ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นอุรสของพระสุคตซึ่งนิพพานแล้วทั้งหมดก็เชิญไปข้างหน้าพระมหาปชาบดีโคตมีเทรีพุทธมารดาผู้อันเทวดาและมนุษย์สการะเชิญเอาไปข้างหลังเทวดามนุษย์พร้อมด้วยนาคอสูรและพรมไปข้างหน้าข้างหลังพระพุทธมารดาพร้อมด้วยภษาวกเสด็จไปเพื่อบูชาพระมารดาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ คือตอนที่พระพุทธมารดาปรินิพานนี่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันแต่การปรินิพานของพระพุทธเจ้าไม่มีพระคราสาวกอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ยิ่งใหญ่เขาปรินิพานกันหมดแล้วว่าือนกันเพราะฉะนั้นการปรินิพานของพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีเนี่ยน่าอัศจรรย์ยิ่งนักในเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จป ร, รินิพานไม่มีพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเหมือนเวลาพระพประชาบดีโคตมีเถรีนิพาน ซึ่งมีพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายมีภาษารีบุตรเป็นต้นชนทั้งหลายช่วยกันทำจิตตกาทฐานซึ่งสำเร็จด้วยของหอมล้วนแล้วเกลื่อนไปด้วยจุนแห่งเครื่องหอมแล้วก็เผาภิกษุณีเหล่านั้นบนจิตตกาทฐานนั้นส่วนแห่งสรีระนอกนั้นถูกไฟไม่สิ้นเหลือแต่อัดในเวลานั้นท่านพระนนก็ได้กล่าววาจาอันให้เกิดความสังเวชว่าพระประชา บ, บดีโคตมีเถรีเข้านิพพานแล้ว พระศรีระของพระเทรีก็ถูกเผาแล้วการนิพพานของพระพุทธเจ้าน่าสังเกตอีกไม่นานจกมีต่อแต่นั้นท่านพระนลก็ตท่านพระนลเนี่ยพระพุทธเจ้าตักเตือนท่านว่าได้น้อมพระธาตุของพระประชาบดีโคตมีเถรีเนี่ยซึ่งอยู่ในบาทของพระเทรีเข้าไปถวายแด่พระโลกนาช พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระฤาษีพระองค์ที่เจ็ได้ประคองพระาธาตุเหล่านั้นด้วยฝ่าพระหัตแล้วตรัสว่าเพราะสังขารเป็นสภาพไม่เที่ยงโคตมีผู้เป็นใหญ่กว่าภิกษุณียังต้องนิพพานเหมือนลำต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นยืนต้นอยู่ถึงจะใหญ่โตก็ต้องผุพังไปฉะนั้นต้นไม้แก่นก็ยังพังอ่ะนะดูเอาเถิดอ น, นุ์พระพุทธมารดาแม้นิพพานแล้วก็เหลือแต่เพียงสรีระ ก็ไม่มีความเศร้าโศกปริเทวนาการท่านพระนุนก็ทูลว่าน่าอัศจรรย์จิงหนอพระมารดาของพระองค์แม้นิพานเหลือแต่พระศรีระก็ไม่มีความโศกปริเทวนาการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโคตมีข้ามสาครคือสงสารไปแล้วละเว้นเหตุให้ทําให้เดือดร้อนได้แล้วเป็นผู้เยือกเย็นดับสนิทแล้วอันผู้อื่นไม่ควรจะเศร้าโศกถึง เพราะท่านเป็นบัณฑิต น, น, นะนะพระโคตมีนี่เป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางทั้งเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าภิษุนีทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำไว้อย่างนี้เถิดโคตมีเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ที่พระโสดาตัมีความชำนาญในเจโตปริย า, ยานรู้ทั่วถึงปุเพนิวาสานุสติยานชำระทิพจักสุให้หมดจดสิ้นอาสวะหมดแล้ว บัดนี้พบหมายไม่มียานในอัฏฐธรรมนิรุติและปฏิภานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะเศร้าโศกถึงโคตมีนั้นเนยะไม่ควรจะเศร้าโศกถึงท่านนะเพราะท่านไปดีแล้วคติของไฟที่ลุกโผลงถูกแผ่นเหล็กทับแล้วดับไปโดยลําดับใครๆก็รู้ไม่ได้ฉันใดคติของท่านที่หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบแล้วข้ามโอคะ คือพันธะทางกามบรรลุอจระบทคืนนิพพานที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่มีใครรู้ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง ม, มีสติปัฏฐานสี่เป็นทางดำเนินเถิดต้องพึ่งตัวเองกันนะว่างั้นปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานสี่นะเธอทั้งหลายอ บ, บรมโพธชงเจ็ดประการแล้วจับทำที่สุดแห่งทุกได้ อันนให้ถือการพึ่งตัวเองเป็นหลักนะตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสี่อบรมโพชฌงเจสา ม, มารถทำที่สุดแห่งวัตทุปรินิพานได้อันนก็อันนี้เป็น เ, เทรีคาถาอานะเป็นข้อความในเทรีคาถาซึ่งท่านยกมาจากคัมภีร์อภิธานเพราะฉะนั้นก็อัตถกถามหาประชาปีเทรีคาถาก็จบแต่เพียงเท่านี้